บันไดขั้นแรกคือเห็นความจริงในตัวในที่นี้หนังสือมีภาพประกอบด้วยนะครับท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือไปดูได้สำหรับท่านที่ไม่สามารถดูภาพประกอบได้การฟังเนื้อหาโดยรวมก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับในภาพประกอบนั้นจะเป็นภาพที่สามารถมองเห็นได้สองแบบนะครับจากรูปนั้น อะไรคือความจริงที่คุณเห็นเสี้ยวหน้าของหญิงสาวที่มองทะแยงจากด้านหลังซีกหน้าซ้ายของหญิงชราที่คุณเห็นจากด้านหลังหรือว่าภาพลวงตาของศิลปินนิรนามที่วาดขึ้นให้สนเทสหนังสือเล่มนี้เขียนเป็นภาษาไทยคุณอ่านภาษาไทยออกฉะนั้นถ้าบอกตัวเองถูกว่าคุณกำลังคิดเป็นภาษาไทย ก็ย่อมตรงตามจริงในปัจจุบันแล้วหลังจากอ่านย่อหน้าก่อนพร้อมทั้งดูรูปประกอบเรียบร้อยแนวโน้มคือชั่วขณะหนึ่งคุณจะเกิดประสบการณ์รู้สึกชัดถึงความจริงที่เหมือนมีคลื่นความคิดเป็นเสียงภาษาไทยอยู่ในหัวขอให้สังเกตว่าชั่วขณะประสบการณ์เห็นความคิดนั้นความรู้สึกว่ามีตัวคุณดูเหมือนหายไปช่วขณะ และชั่วขณะนั่นเองจึงไม่มีความรู้สึกวิตกทุกข์ร้อนเกี่ยวกับตัวคุณอยู่ตลอดจนไม่มีความรู้สึกอยากให้ตัวคุณได้เป็นสุขเพิ่มขึ้นด้วยเป็นครั้งเดียวในช่วงขณะสั้นๆแล้วกลับมามีความรู้สึกเป็นตัวคุณใหม่อย่างมากก็กลายเป็นแค่รู้สึกว่าแปลกดีที่ตัวตนหายไปวูบหนึ่งและไม่พบว่าชีวิตแตกต่างไปจากเดิมแต่อย่างใด คำถามที่น่าสนใจคือได้เห็นหลายครั้งเห็นบ่อยๆหรือกระทั่งเห็นกลุ่มความคิดในหัวเหมือนพยับแดดลวงตาเป็นปกติละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นการเห็นความจริงและหายทุกได้คือสาระคือแก่นสารคือประโยชน์อันพึงมีพึงได้บนเส้นทางวิปัสสนาวิปัสสนาเบื้องต้นสลายทุกได้เป็นครั้งครั้ง วิปัสสนาเบื้องกลางปิดกั้นการก่อตัวของทุกได้หลายหลายครั้งวิปัสสนาเบื้องปลายทำลายทางมาทางไปของทุกได้ชนิดไม่มีวันกลับมาเกิดขึ้นอีกเลยแม้แต่ครั้งเดียว